วิปากะทุกกนัย5ป6ในเหตุปัจจัยกับวิปากะปัจจัยมีหนึ่งวาระในอารามะนปัจจัยกับวิปากะปัจจัยมีหนึ่งวาระในทิปฏิปัจจัยกับวิปากะปัจจัยมีหนึ่งวาระณอนันตรปัจจัยกับวิปากะปัจจัยมีหนึ่งวาระสมานันตระปัจจัยกับวิปากะปัจจัยมีหนึ่งวาระนาอนญามัญญาปัจจัยกับวิปากะปัจจัยมีหนึ่งวาระ นาอุปนิสยปัจจัยกับวิปากัปัจจัยมีหนึ่งวาระนาปุเรชาตปัจจัยกับวิปากปัจจัยมีหนึ่งวาระนาปัจฉาชาตปัจจัยกับวิปากัปัจจัยมีหนึ่งวาระนาอาเสวณปัจจัยกับวิปากปัจจัยมีหนึ่งวาระนากรรมปัจจัยกับวิปากปัจจัยมีหนึ่งวาระนาอาหารปัจจัยกับวิปากปัจจัยมีหนึ่งวาระ นาอินทรีย์ปัจจัยกับวิปากับปัจจัยมีหนึ่งวาระนชานปัจจัยกับวิปากับปัจจัยมีหนึ่งวาระนมกปัจจัยกับวิปากับปัจจัยมีหนึ่งวาระนสัมปยุตตาปัจจัยกับวิปากับปัจจัยมีหนึ่งวาระนวิปยุตตาปัจจัยกับวิปากับปัจจัยมีหนึ่งวาระโนนัตถีปัจจัยกับวิปากับปัจจัยมีหนึ่งวาระโนวิกตปัจจัยกับวิปากับปัจจัยมีหนึ่งวาระ วิปากะคัตนา587ในเหตุปัจจัยกับปัจจัย5คือวิปากะสหาชาตะนิสยาอธิและอวิกะตะมีหนึ่งวาระนอารามณปัจจัยกับละมีหนึ่งวาระนอธิปฏิปัจจัยกับละมีหนึ่งวาระนอนันตรปัจจัยกับละมีหนึ่งวาระนสมาันตระปัจจัยกับละมีหนึ่งวาระ นะอัญญมัญญาป ah, ah, ัจจัยกับละมีหนึ่งวาระนาปณิสสยปัจจัยกับละมีหนึ่งวาระนปุเรชาตปัจจัยกับละมีหนึ่งวาระนปัจฉาชาตปัจจัยกับละมีหนึ่งวาระนาอาเสวะนปัจจัยกับละมีหนึ่งวาระนากรรมปัจจัยกับละมีหนึ่งวาระ นอาหารปัจจัยกับละมีหนึ่งวาระนอินตรียปัจจัยกับละมีหนึ่งวาระนชาณปัจจัยกับละมีหนึ่งวาระนมะขะปัจจัยกับละมีหนึ่งวาระนสัมปยุตตาปัจจัยกับละมีหนึ่งวาระนวิปยุตตปัจจัยกับละมีหนึ่งวาระโนนติปัจจัยกับละมีหนึ่งวาระโนวิกตปัจจัยกับละมีหนึ่งวาระ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 สัมปยุตตะอติและอวิคตะมีหนึ่งวาระณอารมณปัจจัยกับละมีหนึ่งวาระณอธิปติปัจจัยกับละมีหนึ่งวาระณอนันตรปัจจัยกับละมีหนึ่งวาระณสมาันตระปัจจัยกับละมีหนึ่งวาระณอุปนิสัยปัจจัยกับละมีหนึ่งวาระ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 นปัจฉาชาตปัจจัยกับละมีหนึ่งวาระน่อาเสว่านับปัจใจกับละมีหนึ่งวาระนกกรมปัจจัยกับละมีหนึ่งวาระน่อาหารปัจจัยกับละมีหนึ่งวาระน่อินทรียปัจจัยกับละมีหนึ่งวาระน่าชาณปัจจัยกับละมีหนึ่งวาระนามกปัจจัยกับละมีหนึ่งวาระ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 นาอนันตรปัจจัยกับละมีหนึ่งวาระนาสมนันตระปัจจัยกับละมีหนึ่งวาระนาอุปนิสัยปัจจัยกับละมีหนึ่งวาระนาปุเรชาตปัจจัยกับละมีหนึ่งวาระนาปัจจาชาตปัจจัยกับละมีหนึ่งวาระนาอาสวะนปัจจัยกับละมีหนึ่งวาระนากรรมปัจจัย กับละมีหนึ่งวาระณอาหารปัจจัยกับละมีหนึ่งวาระณอินตรียปัจจัยกับละมีหนึ่งวาระน่ชาณปัจจัยกับละมีหนึ่งวาระนมัคคปัจจัยกับละมีหนึ่งวาระนสัมปยุตตะปัะจัยกับละมีหนึ่งวาระนโนนติปัจจัยกับละมีหนึ่งวาระนโนวิกตปัจจัยกับละมีหนึ่งวาระวิปากมูลกนัย จบอาหารทุกข์ในห้ยแในเหตุปัจจัยกับอาหารปัจจัยมีเจดวาระในอารามารปัจจัยกับอาหารปัจจัยมีเจดวาระในอธิปติปัจจัยกับอาหารปัจจัยมีเจดวาระในอนันตรปัจจัยกับอาหารปัจจัยมีเจ็ดวาระนสมนันตระปัจจัยกับอาหารปัจจัยมีเจดวาระ นสห a c ตปัจจัยกับอาหารปัจจัยมีหนึ่งวาระนอัญญมัญญปัจจัยกับอาหารปัจจัยมีสามวาระนนิสียปัจจัยกับอาหารปัจจัยมีหนึ่งวาระนอุปนิสียปัจจัยกับอาหารปัจจัยมีเจดวาระนาปุเรชาตปัจจัยกับอาหารปัจจัยมีเจ็ดวาระนปัจฉาชาแตปัจจัยกับอาหารปัจจัยมีเจดวาระ น้อาเสวนปัจจัยกับอาหารปัจจัยมีเจดวาระนักกรรมมปัจจัยกับอาหารปัจจัยมีเจดวาระนวิปากปัจจัยกับอาหารปัจจัยมีเจดวาระน้อินตรียปัจจัยกับอาหารปัจจัยมีเจดวาระน้าชานปัจจัยกับอาหารปัจจัยมีเจดวาระน้มัคคปัจจัยกับอาหารปัจจัยมีเจดวาระ นสัมปยุตตาปัจจัยกับอาหารปัจจัยมีสวาระนวิปปยุตตปัจจัยกับอาหารปัจจัยมีสวาระโนนติปัจจัยกับอาหารปัจจัยมี7วาระโนวิกตปัจจัยกับอาหารปัจจัยมีเจวาระอาหารมิสกะคตนา589นเหตุปัจจัยกับปัจจัย3 คืออาหาระอติและอวิกตะมีเจ็ดวาระณอารามณปัจจัยกับละมีเจ็ดวาระณอธิปติปัจจัยกับละมีเจ็ดวาระณอนันตรปัจจัยกับละมีเจ็ดวาระนสมันตรปัจจัยกับละมีเจ็ดวาระนสหชาตปัจจัยกับละมีหนึ่งวาระณอัญญมัญญปัจจัยกับละมีสามวาระ นันติยปัจจัยกับลามีหนึ่งวาระนัปุเรชาตปัจจัยกับลามีเจ็ดวาระนปัจชาชาตปัจจัยกับลามีเจ็ดวาระนอาเสวนปัจจัยกับลามีเจ็ดวาระนกรรมปัจจัยกับลามีเจ็ดวาระนวิปากปัจจัยกับลามีเจ็ดวาระนอินทรียปัจจัยกับลามีเจ็ดวาระ นาชานปัจจัยกับละมีเจ็ดวาระนาคัปัจจัยกับละมีเจ็ดวาระนสัมปยุตตปัจจัยกับละมีสามวาระนวิปยุตตปัจจัยกับละมีสามวาระโนนัตถิปัจจัยกับละมีเจดวาระโนวิกัตปัจจัยกับละมีเจดวาระสหชาติสามัญญคตนา590 นัเหตุปัจจัยกับปัจจัย5คืออาหาระสหชาตะนิตยาอติและอวิกตะมีเจดวาระนัอารามณปัจจัยกับละมีเจดวาระนาทิปฏิปัจจัยกับละมีเจ็ดวาระนัอนันตรปัจจัยกับละมีเจ็ดวาระนัสมันันตรปัจจัยกับละมีเจ็ดวาระ น้าอัญญามัญญปัจจัยกับรามีสามวาระน้าปณิสิยปัจจัยกับรามีเจ็ดวาระนปุเรชาตปัจจัยกับรามีเจ็ดวาระนปัจฉาชาตปัจจัยกับระมีเจดวาระหนอาเสวนปัจจัยกับรามีเจ็ดวาระนกรรมปัจจัยกับรามีเจ็ดวาระ นวิปากัปัจจัยกับรามีเจ็ดวาระนาอินทรียปัจจัยกับรามีเจ็ดวาระนชาณปัจจัยกับรามีเจ็ดวาระนมกปัจจัยกับลามีเจ็ดวาระนสัมปยุตตปัจจัยกับลามีสามวาระนวิปยุตตาปัจจัยกับรามีสามวาระโนนัตติปัจจัยกับรามีเจ็ดวาระโนวิกตปัจจัยกับรามีเจ็ดวาระ นัเหตุปัจจัยกับปัจจัยหกคือหาราชาชาติอัญญมัญญานิสยาอัติและอวิกตะมีสามวาระนัอรามณปัจจัยกับละมีสามวาระนัธิปติปัจจัยกับละมีสามวาระนัอนันตรปัจจัยกับละมีสามวาระนัสมนันตรปัจจัยกับละมีสามวาระ นาอุปนิสติยปัจจัยกับละมีสามวาระนาปุเรชาติปัจจัยกับละมีสามวาระนาปัจฉาชาติปัจจัยกับละมีสามวาระนาอาเสวณปัจจัยกับละมีสามวาระนากรรมปัจจัยกับละมีสามวาระนาวิปากปัจจัยกับละมีสามวาระนาอินทรียปัจจัยกับละมีสามวาระ นจชานปัจจัยกับละมีสามวาระนัมขปัจจัยกับละมีสามวาระนตสัมปยุตตปัจจัยกับละมีหนึ่งวาระนวิปยุตตปัจจัยกับละมีสามวาระโนนติปัจจัยกับละมีสามวาระโนวิกขตปัจจัยกับละมีสามวาระนาเหตุปัจใจกับปัจจัย7คืออาหาระสหชาติอัญญมัญญานิสยา สัมปยุตตะอติและอวิกตะมีสามวาระนารามณปัจจัยกับลามีสามวาระนอธิปติปัจจัยกับละมีสามวาระนันตรปัจจัยกับละมีสามวาระนัสมันตระปัจจัยกับลามีสามวาระนอุปนิสตยปัจจัยกับลามีสามวาระนปุริเอชาตปัจจัยกับละมีสามวาระ นัจจาชาตปัจจัยกับละมีสามวาระนัอเสวนปัจจัยกับละมีสามวาระนกกรรมปัจจัยกับละมีสามวาระนวิปากปัจจัยกับละมีสามวาระนอินทรียปัจจัยกับละมีสามวาระนัชาณปัจจัยกับละมีสามวาระนมกปัจจัยกับละมีสามวาระนวิปยุตตะปจจัยกับละมีสามวาระ โนนัตถิปัจจัยกับละมีสามวาระโนวิคตาปัจจัยกับละมีสามวาระนเหตุปัจจัยกับปัจจัย6คืออาหาระสหชาตะนิสยาวิปยตตาอติและอวิคตะมีสามวาระนอารามานปัจจัยกับละมีสามวาระนาทิปติปัจจัยกับละมีสามวาระนอนันตรปัจจัยกับละ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 ในเหตุปัจจัยกับปัจจัยหคืออาหาระสหชาตะนิสีย ah วิปากะอัติและอวิกตะมีหน ah, ึ่งวาระณอารมณปัจจัยกับละมีหน an ึ่งวาระณอธิปต ah, ิป an ัจจัยกับละมีหน an ึ่งวาระนอนันตรัปปัจจ ah, ัยกับละมีหนึ่งวาระณสมานันตรัปปัจจัยกับละมีหนึ่งวาระนอนันตรัปณัญญาัญญาปัจจัยกับละมีหนึ่งวาระ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 นัอเสวนปัจจัยกับละมีหนึ่งวาระนักกรรมมปัจจัยกับละมีหนึ่งวาระนัอินทรียปัจจัยกับละมีหนึ่งวาระนักชาณปัจจัยกับละมีหนึ่งวาระนัมัคคับปัจใจกับละมีหนึ่งวาระนัสัมปยุตตปัจจัยกับละมีหนึ่งวาระนัวิปยุตตาปัจจัยกับละมีหนึ่งวาระ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 นอินทริยปัจจัยกับละมีหนึ่งวาระนาชานาปัจจัยกับละมีหนึ่งวาระนมกปัจจัยกับละมีหนึ่งวาระนวิปยุตตปัจจัยกับละมีหนึ่งวาระโนนัตถิปัจจัยกับละมีหนึ่งวาระโนวิขตปัจจัยกับละมีหนึ่งวาระนาเหตุปัจจัยกับปัจจัยเจ็ดคือ อาหาระสหชาตะนิสยวิปากะวิปยุตตาอติและอวิขตมีหนึ่งวาระนาอารามานปัจจัยกับละมีหนึ่งวาระนาอธิปติปัจจัยกับละมีหนึ่งวาระนาอนันตรปัจจัยกับละมีหนึ่งวาระนาสมานันตรปัจจัยกับละมีหนึ่งวาระนาอัญญมัญญะปัจจัยกับละมีหนึ่งวาระ นอุปนิสติยปัจจัยกับละมีหนึ่งวาระนปุเรชาตปัจจัยกับละมีหนึ่งวาระนปัจฉาชาตปัจจัยกับละมีหนึ่งวาระนอาสวนปัจจัยกับละมีหนึ่งวาระนกรรมปัจจัยกับละมีหนึ่งวาระนอินตริยปัจจัยกับละมีหนึ่งวาระนาชานปัจจัยกับละมีหนึ่งวาระ นามคปัจจัยกับละมีหนึ่งวาระนสัมปยุตตปัจจัยกับละมีหนึ่งวาระโนนติปัจจัยกับละมีหนึ่งวาระโนวิกขตปัจจัยกับละมีหนึ่งวาระเหตุปัจจัยกับปัจจัย8คืออาหาระสหชาติอัญญมัญญานิตยาวิปากะวิปยุตตาอัตติและอวิกขตมีหนึ่งวาระ นาอารามารัปปจัยกับละมีหนึ่งวาระนาทิปปติปัจจัยกับละมีหนึ่งวาระนาอนันตารัปัจจัยกับละมีหนึ่งวาระนาสมันตารัปัจจัยกับละมีหนึ่งวาระนาอุปนิเตียปัจจัยกับละมีหนึ่งวาระนาปุเรชาตปัจจัยกับละมีหนึ่งวาระนาปัจจาชาตปัจัยกับละมีหนึ่งวาระ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 โนวิกตาปัจจัยกับละมีหนึ่งวาระในมุงเล็บสวิปปากะ 5. สกัมมะคัตนา591ในะเหตุปัจจัยกับปัจจัย6คืออาหาระสหาชาตะนิจยากร ม, มะอติและอวิกตะมีเจดวาระนะอารามานาปัจจัยกับละมีเจดวาระ นาอธิปฏิปัจจัยกับละมีเจ็ดวาระนาอนันตรปัจจัยกับละมีเจ็ดวาระนาสมาันตรปัจจัยกับละมีเจ็ดวาระนาอัญญมัญญปัจจัยกับละมีสามวาระนาอุปนิสัยปัจจัยกับละมีเจ็ดวาระนาปุเรชาตปัจจัยกับละมีเจ็ดวาระนาปัจจชาตปัจจัยกับละมีเจ็ดวาระ นัอเสวะปัจจัยกับละมีเจ็ดวาระนวิปากปัจจัยกับละมีเจดวาระนัอินทรียปัจจัยกับละมีเจดวาระนัจาณปัจจัยกับละมีเจดวาระนัมัคปัจจัยกับละมีเจ็ดวาระนัสัมปยุตตาปัจจัยกับละมีสามวาระนวิปยุตตาปัจจัยกับละมีสามวาระ โนนติปัจจัยกับละมีเจ็ดวาระโนวิกตปัจจัยกับละมีเจ็ดวาระนเหตุปัจจัยกับปัจจัยเจคืออหาระสหชาตะอัญญามัญญานิสยากรรมะอติและวิกตะมีสามวาระนอารามณปัจจัยกับละมีสามวาระนอธิปติปัจจัยกับละมีสามวาระ นอนันตรปัจจัยกับละมีสามวาระนสมานันตรปัจจัยกับละมีสามวาระณอุปนิสัยปัจจัยกับละมีสามวาระนปุเรชาตปัจจัยกับละมีสามวาระนาอาเสวนปัจจัยกับละมีสามวาระ นวิปากัปัจจัยกับละมีสามวาระนอินทรียปัจจัยกับละมีสามวาระนาชานปัจจัยกับละมีสามวาระนมะขะปัจจัยกับละมีสามวาระนสัมปยุตตาปัจจัยกับละมีหนึ่งวาระนวิปยุตตาปัจจัยกับละมีสามวาระโนนัตติปัจจัยกับละมีสามวาระโนวิกตปัจจัย กับละมีสามวาระนเหตุปัจจัยกับปัจจัย8คืออาหาระสหชาติอัญญมัญญานิสียะกัมมะสัมปยุตตาอัติและวิกตะมีสามวาระณอารามณปัจจัยกับละมีสามวาระณอธิปฏิปัจจัยกับละมีสามวาระณอนันตรปัจจัยกับละมีสามวาระ นัสสมันนันตรปัจจัยกับละมีสามวาระนอุปนิสสยปัจจัยกับละมีสามวาระนปุเรชาตปัจจัยกับละมีสามวาระนปัจฉาชาตปัจจัยกับละมีสามวาระนัอเสวนปัจจัยกับละมีสามวาระนวิปากปัจจัยกับละมีสามวาระ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 คืออาหาระสหชาตะนิสยกัร ม, มะวิปยุตตาอัตติและอวิกตะมีสามวาระนะารามณปัจจัยกับละมีสามวาระนาะทิปติปัจจัยกับละมีสามวาระนาะอนันตรปัจจัยกับละมีสามวาระนาะสมานันตระปัจจัยกับละมีสามวาระ น, ะนาอัญญมัญญปัจจัยกับละมีสามวาระ นอุปนิสยปัจจัยกับละมีสามวาระนาปุเรชาตปัจจัยกับละมีสามวาระนปัจฉาชาตปัจจัยกับละมีสามวาระนอาศัวนปัจจัยกับละมีสามวาระนวิปากปัจจัยกับละมีสามวาระนอินทรียปัจจัยกับละมีสามวาระนาชาณปัจจัยกับละมีสามวาระ นามัคคปัจจัยกับละมีสามวาระนสัมปยุตตาปัจจัยกับละมีสามวาระโนนติปัจจัยกับละมีสามวาระโนวิกตาปัจจัยกับละมีสามวาระในมุงเดบอวิปปะสีในเหตุปัจจัยกับปัจจัย7คืออาหาระสหชาตะนิสยากัมมะวิปากะอธิและอวิกตะ มีหนึ่งวาระณอารมณปัจจัยกับละ la, มีหนึ่งวาระณอธิปติปัจจัยกับละ la, มีหนึ่งวาระณนะอน la, ันตรัพปจัยกับละมีหนึ่งวาระณนะสมาันตรปัจจัยกับละมีหนึ่งวาระณอัญญามัญญาปจจัยกับละมีหนึ่งวาระณนะอุปนิสติญาปจัยกับละมีหนึ่งวาระ นบปุเรชาตปัจจัยกับละมีหนึ่งวาระนปัจฉาชาตปัจจัยกับละมีหนึ่งวาระนัอาเสวะนปัจจัยกับละมีหนึ่งวาระนัอินทรียปัจจัยกับละมีหนึ่งวาระนับชาณปัจจัยกับละมีหนึ่งวาระนมัคคปัจจัยกับละมีหนึ่งวาระนัสัมปยุทธปัจจัยกับละมีหนึ่งวาระนัวิปยุทธะปัจจัยกับละมีหนึ่งวาระ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 นิสัยกรรมวิปากะสัมปยุตตะอ t ิและอวิกตะมีหนึ่งวาระน a าอาร a มณปัจจัยกับละมีหนึ่งวาระน a าอธิปฏิปัจจัยกับละมีหนึ่งวาระน่าอนันตรปัจจัยกับละมีหนึ่งวาระน a สมานันตรปัจจัยกับละมีหนึ่งวาระน a อุปนิสัยปัจจัยกับละมีหนึ่งวาระ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 นอนันตระปัจจัยกับละมีหนึ่งวาระนสมานันตระปัจจัยกับละมีหนึ่งวาระนอุปนิสติยปัจจัยกับละมีหนึ่งวาระณปุเรชาตปัจจัยกับละมีหนึ่งวาระนปัจฉาชาตปัจจัยกับละมีหนึ่งวาระณอาสวะนปัจจัยกับละมีหนึ่งวาระในอินตรียปัจจัยกับละมีหนึ่งวาระ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 โนวิกตปัจจัยกับละมีหนึ่งวาระในวงเล็บสวิปากะห้าสินตริยคตนาห้าร้อยก้าสิบสองในเหตุปัจัจกับปัจจัหกคืออาหาระสหชาตะนิสยะอินทริยะอติและอวิกตะมีเจ็ดวาระ นาอารามณัจจัยกับละมีเจ็ดวาระนาอธิปติปัจัยกับละมีเจ็ดวาระนาอนันตระปัจจัยกับละมีเจ็ดวาระนาสมานันตระปัจจัยกับละมีเจ็ดวาระนาอัญญามัญญาปัจจัยกับละมีสามวาระนาอุปนิสติยปัจจัยกับละมีเจ็ดวาระนาปุเรชาตปัจจัยกับละมีเจ็ดวาระ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 นาวิปยตปาจัยกับละมีสามวาระโนนติปัจจัยกับละมีเจ็ดวาระโนวิกตาปัจจัยกับละมีเจ็ดวาระนเหตุปัจจัยกับปัจจัยเจ็คืออาหาระสหชาตาอัญญมัญญานิสียาอินทริยาอธิและอวิกตะมีสามวาระนอารัมณปัจจัยกับละมีสามวาระน หน้าที่ปฏิปัจจัยกับละมีสามวาระณอนันตรปัจจัยกับละมีสามวาระณสมาันตระปจจัยกับละมีสามวาระณอุปนิสติยปัจจัยกับละมีสามวาระณปุเรชาตปัจจัยกับละมีสามวาระณปัจฉาชาตปัจจัยกับละมีสามวาระณอาเสวณปัจัยกับละมีสามวาระ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 โนวกตปัจจัยกับละมีสามวาระนเหตุปัจจัยกับปัจจัยแปดคืออาหาระสหชาตะอน ญ, ญามัญญานิสียะอินทริยะสัมปยุตตะอติและอวิกะตะมีสามวาระน า, ารนารามารปัจจัยกับละมีสามวาระนาอาทิปติปัจจัยกับละมีสามวาระ นาอนันตรปัจจัยกับละมีสามวาระนาสมานันตรปัจจัยกับละมีสามวาระนาอุปนิสติยปัจจัยกับละมีสามวาระนาปุเรชาตปัจจัยกับละมีสามวาระนาปัจฉาชาตปัจจัยกับละมีสามวาระนาอาเสวณปัจจัยกับละมีสามวาระนากรรมปัจจัยกับละมีสามวาระ นวิปากัปัจจัยกับละมีสามวาระนชานปัจจัยกับละมีสามวาระนมัคคปัจจัยกับละมีสามวาระนวิปยุตตะปัจจัยกับละมีสามวาระโนนัตถิปัจจัยกับละมีสามวาระโนวิกตปัจจัยกับละมีสามวาระนาเหตุปัจจัยกับปัจจัยเจคืออาหาระสหชาตะนิตยา อินทริยะวิปยุตตาอธิและอวิกตะมีสามวาระหนอารามณปัจจัยกับละมีสามวาระหนอธิปฏิปัจจัยกับละมีสามวาระหนอนันตรปัจจัยกับละมีสามวาระนสมันตระปัจจัยกับละมีสามวาระหนอัญญมัญญาปัจจัยกับละมีสามวาระหนอุปนิสัยปัจจัยกับละมีสามวาระ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 นัสสัมปยุตตาปัจจัยกับละมีสามวาระโนนัตถิปัจจัยกับละมีสามวาระโนวิคตาปัจจัยกับละมีสามวาร ะ, นจจ ะ, าาระในวงเล็บอวิปากาสีนเหตุปัจจัยกับปัจจัย7คืออาหาระสหชาตะนิสยาวิปากะอินทริยะอถิและอวิคตะมีหนึ่งวาระ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 นัจฉาจาตะปจใยกับละมีหนึ่งวาระณอาเสวะปัจจัยกับละมีหนึ่งวาระนกกรมปัจจัยกับละมีหนึ่งวาระนัชานัจจัยกับละมีหนึ่งวาระนมัคคะปจัยกับละมีหนึ่งวาระนสัมปยุตตปัจจัยกับละมีหนึ่งวาระนวิปยุตตะปจัยกับละมีหนึ่งวาระ โนนติปัจจัยกับละมีหนึ่งวาระโนวิกะตะปัจจัยกับละมีหนึ่งวาระในเหตุปัจจัยกปัจจัย8คืออาหาระสหชาติอัญญมัญญะนิสียวิปากอินทริยะอธิและอวิกะตะมีหนึ่งวาระณนะอารมณปัจจัยกับละมีหนึ่งวาระ นาอธิปติปัจัยกับละมีหนึ่งวาระนาอนันตระปัจัยกับละมีหนึ่งวาระนาสมานันตระปัจัยกับละมีหนึ่งวาระนาอุปนิสติยปัจัยกับละมีหนึ่งวาระนาปุเรชาตปัจัยกับละมีหนึ่งวาระนาปัจจาชาตปัจัยกับละมีหนึ่งวาระนาอาสวะนปัจัยกับละมีหนึ่งวาระ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 คืออาหาระสหชาตอัญญามัญญานิสียวิปากะอินทริยสัมปยุตตาอธิและอวิกตะมีหนึ่งวาระนะัอรามณปัจจัยกับละมีหนึ่งวาระนัธิปติปัจจัยกับละมีหนึ่งวาระนัอนันตระปัจจัยกับละมีหนึ่งวาระนะัสมานันตระปัจจัยกับละมีหนึ่งวาระนะ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 นาอารามาราปจัยกับละมีหนึ่งวาระนอธิปติปจจัยกับละมีหนึ่งวาระนาอนันตาราปจจัยกับละมีหนึ่งวาระนาสมานันตาราปัจจัยกับละมีหนึ่งวาระนาอัญญมัญญาปจัยกับละมีหนึ่งวาระนาอุปนิเตียปจัยกับละมีหนึ่งวาระนาปุเรชาตปัจจัยกับละมีหนึ่งวาระ นปัจฉาชาตปัจจัยกับละมีหนึ่งวาระณอาเสวะนับปัจใจกับละมีหนึ่งวาระนกรรมปัจจัยกับละมีหนึ่งวาระนัชาณปัจจัยกับละมีหนึ่งวาระนมัคคปัจจัยกับละมีหนึ่งวาระนสัมปยุตตปัจจัยกับละมีหนึ่งวาระโนนัตติปัจจัยกับละมีหนึ่งวาระ นวิกตะปัจจัยกับละมีหนึ่งวาระในเอตุปัจจัยกับปัจจัย9คืออาหาระสหชาติัญญมัญญานิสียวิปากะอินตรียาวิปยุตตาอธิและวิกตะมีหนึ่งวาระณอารามณปัจจัยกับละมีหนึ่งวาระณอธิปติปัจจัยกับละมีหนึ่งวาระ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 59าสนเหตุปัจจัยกับปัจจัยเจ็ดคืออาหาระอธิปติสหชาตะนิสยาอินตรียะอัติและอวิกตะมีเจ็ดวาระณอารามณปัจจัยกับละมีเจ็ดวาระณอนันตรปัจจัยกับละมีเจ็ดวาระณสมนันตรปัจจัยกับละมีเจ็ดวาระณอัญญมัญญาปัจจัยกับละมีเจ็ดวาระ นาอุปนิเตยปัจจัยกับละมีเจ็ดวาระนาปุเรชาตาปัจจัยกับละมีเจ็ดวาระนปัจฉาชาตาปัจจัยกับละมีเจ็ดวาระนอาสวะนปัจจัยกับละมีเจ็ดวาระนกรรมปัจจัยกับละมีเจ็ดวาระนวิปากปัจจัยกับละมีเจ็ดวาระนาชานปัจจัยกับละมีเจ็ดวาระ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 อินทริยสัมปยุตตาอตติและอวิกตะมีสามวาระณอารามณปัจจัยกับละมีสามวาระณอนันตรปัจจัยกับละมีสามวาระณสมาันตรปัจจัยกับละมีสามวาระณอุปนิสติยปัจจัยกับละมีสามวาระณปุเรชาตปัจจัยกับละมีสามวาระ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 โนนัตถิปัจจัยกับละมีสามวาระโนวิกตปัจจัยกับละมีสามวาระนเหตุปัจจัยกับปัจจัย8คืออาหาระอธิปติสหจาระนิตยาอินตรียะวิปยุตตะอัธิและวิกตตะมีสามวาระนอารมณนปัจจัยกับละมีสามวาระนอนันตรปัจจัยกับละมีสามวาระ นัสสะมันตระปัจจัยกับละมีสามวาระนัอัญญมัญญปัจจัยกับละมีสามวาระนัอุปนิสตยปัจจัยกับละมีสามวาระนัปุเรชาตปัจจัยกับละมีสามวาระนัปัจฉาชาตปัจจัยกับละมีสามวาระนัอาเสวนปัจจัย กับละมีสามาระนกรรมปัจจัยกับละมีสามวาระนวิปากปัจจัยกับละมีสามาระนชานปัจจัยกับละมีสามาระนัมขะปัจจัยกับละมีสามาระนสัมปยุตตะปัจจัยกับละมีสามวาระโนนัตถิปัจจัยกับละมีสามวาระโนวิกตปัจจัยกับละมีสามวาระในวงเล็บ อวิปากะ3นเหตุปัจจัยกับปัจจัย8คืออหาระอธิปติสหาชาตะนิสยาวิปากะอินทริยะอธิและอวิคตะมีหนึ่งวาระนารามานปัจจัยกับละมีหนึ่งวาระนันตรปัจจัยกับละมีหนึ่งวาระนสมานันตรปัจจัยกับละมีหนึ่งวาระ นัอัญญมัญญะปัจจัยกับละมีหนึ่งวาระ ay, La, นัอุปนิเตยปัจจัยกับละมีหนึ่งวาระ ay, La, นัปุเรชาตปัจจัยกับละมีหนึ่งวาระนัปัจฉาชาตปัจจัยกับละมีหนึ่งวาระนัอาสวณปัจจัยกับละมีหนึ่งวาระนักรรมปัจจัยกับละมีหนึ่งวาระนัชาณปัจจัยกับละมีหนึ่งวาระ นามัปคัจจัยกับละมีหนึ่งวาระนสัมปยุตตาบัจจัยกับละมีหนึ่งวาระนวิปยุตตาบัจจัยกับละมีหนึ่งวาระโนนัตถิปัจจัยกับละมีหนึ่งวาระโนวิกตปัจจัยกับละมีหนึ่งวาระนาเหตุุบัจจัยกับบัจจัยสิบคือหาระอธิปติสหชาตะอัญญมัญญะนิสียะวิปากะ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 นปัจฉาชาตปัจจัยกับละมีหนึ่งวาระนอาเสวนปัจจัยกับละมีหนึ่งวาระนกกรรมปัจจัยกับละมีหนึ่งวาระนัชานปัจจัยกับละมีหนึ่งวาระนัมขปัจจัยกับละมีหนึ่งวาระนวิปยุตตะปัจจัยกับละมีหนึ่งวาระ โนนัตถิปัจจัยกับละมีหนึ่งวาระโนวิกะตะปัจจัยกับละมีหนึ่งวาระนเหตุปัจจัยกับปัจจัย9คืออาหาระอธิปติสหชาตะนิสยาวิปากะอินตริยะวิปยุตตาอัธิและอวิกะตะมีหนึ่งวาระนาอารมามณปัจจัยกับละมีหนึ่งวาระ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 จบ